ร้อเจ็สิบสามข้อที่ร้อเจ็ดสิบสองข้านะข้อที่สิบเ็ดใช่ไหมครับ mm hmm. ข้อที่ mm hmm. ยี่สิบเ็ดมาเดดูดูข้อยีิบเอ็ดนะครับปาจิตต mm ี hmm. ข้อที่ย mm ี hmm. ่สิบเอ็ดอวาทวาสิกาบทที่หนึ่งนะครับ mm hmm. ที่สูรูปใดไม่ได้รับแต่งตั้งสมมุติจากสงพึงโอวาทิี่สือดีทั้งหลาย ต้องอาบันปาจิตปีนะคนี่นะอนทธิบายเท่าผมนัม้นไปแก็หนัสีหมดแล้วไอเรื่มเก่ามึงเขียนอะไรไว้คำอธิบายไม่ต้องเยอะอนคร <c oughs> ับเดาง่ายแก่หมดนะไม่เป็นไรนะครับอี่บ้ายฟังหมายเพราะว่าพิสูจน์ที่เดียไปโอวาสสังสอนพิสูนีได้เนี่ยต้องเป็นพิสูจน์ที่เราสมมติจากสองอย่นี้เราบซึ่งสองก็จะให้สมมุติแก่พิสุจน์ผู้ประกอบด้คุณสมบัตินะ ประกอบด้วยองคุณแปประการ น, นะครับดนนี้มาฟังนะถ้าไม่มีองค์คุณนี้ก็ก็ไม่สมมุตินะครับอย่างน้อยสุดยอดคือภาษาต้องยี่สิบหรือว่าเกินยี่สิบขึ้นไปนะถ้าต่ากว่านี้ก็ไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าต้องไปคุค้ยอยู่ก่อนวัตถุนีไปที่ะภาคาใช่ไหมคือพิสุนีเป็นผู้หญิงเนี่ยนะนะครับถ้าภาษาไม่ถึงนี่บางทีเนะถ้าเป็นพิสุนุ่มใช่ไหมครับ การไปเจอกับว <elet> ิศพากาลองอย่างนั ions, right? ้นนะอาจจะเสียสีนวลสึกไปเลยครับเพราะฉะนั้นศาลเนี่ยกำหนดตายตัวเลยว่ายี่สิบพันไปทนี่ครับเป็นตอนหน้าอันนี้ออกหนึ่งนะครับแล้วก็พิจูนนี้เขาจะมารับออกว่าใช่ไหมราบอบาชผู้ขืนเมือในวันหลวงวงศ์นะครับเขาจะมาอะไรนะเขาจะมาสามวันก่อนวันหลวงวศ์ก็มาถามก่อนว่าพวกนี้วันหลวงศ์กี่ค่ําใช่ไหมครับพอวันหลวงวศ์ก็มาขออ่านะครับ พอหลังมาขออย่างเฉยๆนะขอก่อนนะครับพอหลังวันบวชก็มาฟังโอว่าอะไนี่เวลาที่สูจน์คายโอว่าเขาจะออว่าอะไรเขาก็จะให้โอวานนขาขอ่านะครับเขาลูกทำนะแสดงเขาลูกทำแปดอาการให้ฟังนะแล้วก็แสดงเขาลูกทำ อ, อีกเป็นหลังเลยแล้วก็แสดงทำ อ, อีกที่ฟังต่อไปนะครับอันนี้พูดค่าแลวนะทีนี้ถ้าพิสูจน์ที่แม่รับสมมติเมื่รับแต่งตั้งแต่สงเลยนะครับ แล้วก็ไปสอนไปโอวากฟิชเนี น, นะอันนี้อย่ต้องบบฟาร์ติดตีนะครับเห็นไมเราแต่งตั้งอยู่สองเลย น, นะไปโอวากฟิชนุนีนะครับโอวาที่เข้ามาขอน่นะอันนี้ไม่ได้ต้องบัตราร์ติดตีทีนี้เรามาดูต้นม้ใหญว่ามาจากใคร น, นะครับต้นม้ใหญ่นี้มาจากภาคตะวขีนะครับมาจากภาคตะนขีนีางับ เขาบอกว่าโดยสมัย น, นยั้นพิมพว่าพระพุทธเจ้ากระทำอยู่กครเชกวันอารามของนาถาบิกฆาฆ่าปฏิเสธพระนครสามวัทีครั้งนั้นพิสุทธิชั้นเถรร่างทั้งหลายกล่าวสอนพวกพิษุนีย่อมได้จีวรบินาบาสีนาสนะและคีฬานักปัจจัยเพยสัมบริฐาน จ, จึงก็จะว่คีปรึกษากันว่าอาวุโสทั้งหลายบัดนี้พระเถรร่างกล่าวสอนพวกพิษุนีย่อมได้จีวรบินาบาสนาชนะพรานะครับวนนั้นนะ ไ, ได้ปัจจัยสี่นะ เอาเธอพวกเราจะกลาสอนพวกพิษุนีบ้านพอตัวเองต้องการปัจจัยเหล่านี้เนี่ยใครที่ว่านเนี่ยจะไปกลาวสอนพิษุนีกันบ้านนะครับทำไมพิสุทธิ์ะสิริธรรมหาไปกลาวสอนพิษุนีแล้วได้ปัจจัยเหล่านี้มาเยอะครับทําไมถึงได้เพราะหนาว่าธรรมนานามัสพิษุนีเป็นปผู้มีร่างน้อยไงผ้มีร่างน้อยทําไมมีร่าง เ, เยอะนะ่ะเอาอะไต่ออะไรมาถวายพระได้ไหมครับ เขาบอกว่าความจริงไม่ใช่พิษุนีขัตว์เองนะแต่จะมีพิษุนียองพวกนะที่บวชมาจากตกระกูลกษัตริย์ใช่ไหมครับเป็นเจ้าหญิงเนี่ยนะเมียเจ้าหญิงสากียาณีตั้งห้าร้นะครับเป็นตระกูลกษัตริย์แต่คลุนที่มีซ้ำบั่งท่านอะไรก็มีนะทีนี้เวลาเขาพาดอย่ลงไมาแสดงให้ฟังเนะ่ะผู้ญาติก็จะมาถามท่อาอ้าวพลาดอย่างน่าองไหนมาแสดงทาให้ฟังอะไร น, นะครับแล้วมันก็จะบอกนะองค์นั้นตรงนี้ มีคูณมีสุตังมีศีลอย่างนั้นอย่างนี้นะครับเขาก็เรือกส่ศรัทธาอย่างพิสุณีนะครับก็มาถวายพิสูจน์แนละ้วก็ได้ร่างหลายก็เลยได้ตัดใจเหล่านี้นะครับแต่ที่พูดจะพาะคีนี้โลกอยากจะได้เข้ามากนะคือเลยปรึกษากันว่าเนี่ยจะไปการสองพิศนีนะครับคร <c oughs> ั้งแล้วได้เข้าไปหาพวกพิสุณีกลาวคําคนี้ว่ามาเถอะน้องหญิงทั้งหลายจงไปหาพวกเราบ้าน แม้ผู้สอนก็จะกล่าวสอนหลังจากนั้นพิษุนีเหล่านั้นได้เข้าไปหาพระเจรเจิญวัคคีอภิว่าแล้วนั่งน้าที่ควรส่วนขั้นหนึ่งจึงพระเจรเจิญวัคคีได้ทําทํามีคาถาแต่แกพ่พู้พิษุรีเพียงเล็กน้อยเท่านั้นให้มันเวลาร่วงไปด้วยเดชฌาคาถานะครับแสดงให้ฟังให้ทำแค่นิดหน่อยนะวพวกนี้ไม่ค่อยมีความรู้อะไรอยู่แล้วครับธรว่าสมมุนไม่ใช่เหมือนพระถ้า อ, อุทายีเท่านัออปป น, นนะ อันนั้นถือว่าพูดไม่ดีมาก น, นะเขาก็แสดงความเก่งเลยครับเพรานะรนั้นนะมีพระอุปนนิ์แสดงความเก่งเลยแต่พวกพระเชษฐาขี่ไม่เก่งนะก็เลยพูดธรรมาได้แท่นิดหน่อยนะและก็ยังวังเวลาที่เหลือนะครับให้ลวกคนด้วยการพูดติดฉากคาถาเนอะเรื่องช้าเรื่องมาเรื่องต้เรืงเวาช้าก็พูดไปนะครับแล้วก็สั่งให้พิสณีกลับไปนะด้วยคาว่ากลับไปเถิดน้องหญิงทั้งหลาย ลำดับนั้นพิสุนีหลันั้นได้เข้าไปต้องเม่าข้าจ่าถวายมงคมแล้วยืนฟฝ้าอยู่หน้าที่คุณเสือข้านหนึ่งผูรวมก็เลยตัดถามพิษุนีหลังนั้นนะครับว่าดูก่อนพิษุนีทั้งหลาย ก, การกาบสอนพิสุนีได้สมฤทธิผลดีหรือพิษุนีก็เลยกาบถูในฝันนะครับว่าจากสมฤทธิผลมาแต่ไหนพร่อพรธเจ้าข้าพ่อพระคุณเจ้าเราเสื่อขี้ได้ท่องทำมีคำถามเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ให้มันเวลาล่งไปดื่มชาติคาถาแล้วสั่งให้กลับไปพระเจ้าข้าพระพุทธองค์ก็ทรงชี้แจงพิสุวิลอนั้นเห็นแจ้งสมาทานฐานรากนุ้งคำคาถาแล้วพิสุวิลนั้นก็กลับไปนะกระทําประทังะถึงกลับไปนะครับนี่พระพุทองค์ก็ประชุมสงทรงตอบถามทรงตีเตียงนะครับสนิทที่ปัจจุบัีนะแล้วก็ทรงอนุญาตนะครับว่า ดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเราอนุญาตให้สมมุติพิสูจนเป็นผู้กล่าวสอนพิสูนีเนี่ยตอนตอบครั้งแรกอยังไม่มีการบอกว่าพิสูจจะสอนพิสูนีนต้องมีการสมมติเยังไม่มีใช่ไหมครับก็ภาคที่แล้วก็เป็นสอนสอนที่แล้วเลยแต่เนี่ยเมื่อมีเรื่องนี้เกิดขลยได้อนุญาตให้เขาเราต้องการสมมุตินะให้สมมุติพิสูุนเป็นผู้กล่าวสอนพิสูนีดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายก็แร้เป็นสมสมุติอย่างนี้นะครับ ต้องขอร้องพิสุรุปนั้นก่อนนะแล้วก็สวดนะครับเยติจังกรรมม้าวาจารว่านะครับท่านเจ้าค่าขอสงจงฟังข้าพเจ้าถ้าความพร้อมฟั้งของสงถึงที่แล้วสงควรสมมติพิสุตมีชื่อนี้ให้เป็นผู้การสอนพิษุณีนี้เป็นเยติท่านเจ้าค่าขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าสงสมมติพิสุตมีชื่อนี้ให้เป็นผู้การสอนพิษุณี การสมมุติพิสูุน์มีชื่อนี้ให้เป็นผู้กล่าวสอนพิสูจนีชอบกับท่านผู้ใดท่านนั้นถึงเป็นผู้นิ่งไม่ชอบกับท่านผู้ใดท่านนั้นถึงพูดแล้วก็สวดไปสาครั้งเลยอันอานั่งยติครั้งหนึ่งใช่ไหมอานุสาวนาสามครั้งก็เป็นยติที่ขาดต่ำแบบนี้ครั้งแรกไม่ได้บอกว่าต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างนะบอกตัว่ามีการสมมุติทั้งนัง้นเอง ทีนี้นะพ่อก็ไม่อยากจะถามบทขึ้นมาเป็นภาพบรรยากาครั้งแรกนะครับมีแค่นี้ก่อนนะว่าอันหนึ่งพิสุไดไม่ได้รับสมมุติการสอนผู้พิษุนีเป็นปานจิตติทีนี้นะครับพระอาจารย์ทั้งหลายเพื่อเล่าสมมุติแล้วก็เป็นสอนพิษุนีใช่ไหมทางโกยาน้ า, นาปัจใจสี่หนุ่มเหมือนเดิมหนุ่มหล่ถ้าจะบกี้ไา่อยากจะได้หมบ้างทํายังไงเขาก็เลยไปสมมุติกันเองนะครับอยู่ในวัดไม่มีใครสมมุติให้แกใช่ไหมแกก็ได้ออกไปนอกวัดเลยนะครับ ไปสีมาธรรมชาติสีน้ำแม่นะ้ำอะไรก็แล้วแต่นะไปสมมุติกันนะครับนอกวันนะ่ะอื่สมมุติได้แล้วใช่ไหมแล้วก็มากราบสอนพิสุตีแก้วทําเหมือนเดิมครับแสดงความเพียงแรงน้อยที่เหลือก็เพื่อได้รังสรรค์กัตถานพูดพิสุนีฟังนะเรื่องก็เหมือ น, น, น, น, นเดิมนะครับพุทธิสนี้ก็ผู้ดวงตัดฐานพุิสุนีพุทนี้ก็กรับถือเหมือนเดิมนะว่า้นะครับโอว่านี้ไม่ได้สั ม, มผลนะครับ พระองค์ก็ประทุมสงฆ์ทรงสอบถามทรงติเตยนนะครับและทรนุ ญ, ญาตนางนุ ญ, ญาตขึ้นใหม่อั้งเพราะว่าดูความพิสุจน์ทั้งหลายเรานุ ญ, ญาตให้สมมติพิสุจ์ผู้ประกอบด้วยองแปดนี่นะดังต่อไปนี้เป็นผู้การสอนที่สุดดีนะครับเมื่อพระพุทธองค์ทรงตัดอย่างนี้นะครั บ, รนนรบพระชัปเปคีเนี่ยหมดสิทิ์เลยนะครับท่านบอกว่าในเกสารที่ว า, ายนะว่าองคุลแปดประการนี่นะครับ ไม่มีแกพ ร, ระเจ้าบุกี้เลยแม้ในความฝันนะเขาห่างไกลขนาดนั้นนะแกไมันด้มีองคุณอะไรเขาเนี่ยทำไมพระองค์ไม่ตังห้างเลยว่าห้ามพ ร, ระเจ้าบุรี้นะม า, าว่าพิสุลี ห, ห, นะห้ามอย่างนี้นะครับก็ไม่ตัดห้ามอย่างนี้พอข้าพระองค์ตัดห้างนั้นพวกพระเจ้บุกีเนะจะผูกอาฆาพุธเจ้าจะกรอกนะครับจะผูกอาฆาตไม่พอใจนะทีเมื่อผูกอาฆาตพุทธเจา้าจะเป็นยังไงก็จะตกนรกนะครับเนี่ย กล้าัวกล้าไม่กล้าบ่ากรรมนะอม่้แต่งมาเลิกได้พรองค์ทราัยฝ่ามือเคราะนะเลยไม่ได้ตัดห้างทนทีนะครับพวกตัดให้เนี่ยให้สืบคู่ประกอบด้องค์ปกประการในห้าสวนวิสุทนีแลนะเนี่ยเราจะเห็นว่าฝ่ามือเครานะความหมายของโรงงาระจัญ่ใหญ่มากนะครับแม้กับพวกนี้เก่งเมลรยเกลอะไรพวกนี้นะนะครับพวก้เนี่ยก็มีวิธีป้องกันเพื่อไม่ให้เขาไปอับบาในต้องฟังพวกนังนนะครับ อันนี้นะครับองคุณแปดของพิสุผูก้กลางสองพินศษอันนี้คุณจะว่างวาข้าเนนะีส่วนความที่บาละเอียดเนี่ยแห้งจกสิข้อก่อนถ้าเวลาเหลยวให้กลับมา <c oughs> หนึ่งนะครับที่สูรูปนั้น น, นนะต้องเป็นผู้มีศีลคือสำรวมด้วยปาฏิโมกขสังวรศีสมบูรณ์ด้วยอาจาระและโครจรอยู่ มีปกติเห็นภายในโทษเพียงเล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบุตทั้งหลายโอ้แสดงว่าไม่ใช่ธรรมดานร่องีลท่านต้องบแบบเป๊ะเลยนะครับแล้วไม่ใช่คนที่ยอดหยอกลือหลาหลวมเรื่องศีลนะต้องเห็นโทษภัยนะครับของแม้แต่สิ่งเล็กน้อยนะท่านก็เห็นเป็นโทษเป็นภัยนะครับนี่แล้วก็สองเป็นผงสูตรขนะ้อแรกมีศีลใช่ไหมข้อสองเป็นหผงสุตนะอ่าคือทรงสูตรตั เป็นผู้สั่งสมสูตระทำเหล่านั้นใดงานหนึ่งพื้นต้น ง, งานท่ามการงานที่สุดประกาศพรหมจันทร์พร้อมทั้งอัฏฐะทั้งพยัญชนะครบบริบูรณ์บริสุทธิ์ทําเห็นตานี้อันพิสูนนั้นได้สดับมากทรงจําไม่ได้คล่องปางขึ้นใจแทงตลอดมืดปัญญาอีนะ่คือคําว่าความเปนะ็นผู้หูสูเนะไม่ใช่ว่าฟังไม่เดียวนะเพราะว่ถ้าฟังมากเท่าไหร่ข้าหูซ้ายหรหู ข, ข, ขวาใช่ไหม หรือไม่เข้าใจอย่างนี้นะ่ะก็ไม่เชื่อผู้สูตรนะครับผู้สูตรองค์ธรรมของผูสูตรคอะไรคือสุตตังไม่แยกปัญญานะครับไอปัญญาที่เกิดจากการฟังเนาะเพราะฟังทุ๊บเพาบอกฟังความเข้ใจใช่ไหมเข้าใจตลอดน้านเป็ปัญญาตรงนี้องคของผู้สูตรนะครับคือสุตตังไม่แยกปัญญาสุตตังไม่แยกยางตัวนี้นะอันนี้ท่านจําได้ด้วยนะครับจำได้แล้วก็คล่องปากเลยนะอย่างนี้ก็เข้าใจนะครับ ที่อันที่สามนะครับพระปาติโมกข์ทั้งสองมาแล้วด้วยดีโดยพิสดารแก่พิสูจน์นั้นต้องได้ปาติโมกข์้งสองคือพิสูนจน์นั้นจําแนกไดีดีคล่องแคล่วดีวินิชัยได้เรียบร้อยโดยสูุ่ดดอวยนุพยัญชนะโอ้ไม่ใช่ธรรมาดาท่านนี่นี่ก็ต้องได้นคะครับปาติโมกข์เนี่ยมันจะว่าท่องภาษาบาลีอย่างเดียวนะและไม่รู้ความหมายที่ไม่ใช่นะครับท่านสามารถที่จะจําจแนกด้านวินิชายอะไรได้นะครับ โดยบ า, า น, นีการหาเขาก็ว่าได้ใช่ไหมนี่ธรรมาดาสี่ 4. เป็นผู้มีวาจาสะละสัสนุยชัดเอดนนะครับาบอกอ้าเป็นผู้ที่ประกอบด้วยวาจาของชาวเมืองนะพูดติดอ่างพูดติดขันนะเห ม, มือนภาษาของอะไรนะ่ถ้าไม่ชัดเจนไม่ได้นะก็ไม่ได้นะนะต้องพูดภาษาภาคตาให้เนี่ยชัดเจน ไม่ออกไปทางเหนือไม่ไม่เพลินไปทางอีสานหรือไม่เห <สะ S 1> มือนกับทางใต้นะครับ <สะ S 1> ต้องกบบเสียงช <se arch> ัดแจนเท่าไหร่ตองนะใช่ไหมครับต้องบอกว่าถึงพร้อมในวาจากาาว่าชาวเมืองนะซึ่งมีบทละครชั้นะละกลมกล่อมนะครับนี่นะฮะตามคาที่สมควรแก่การจัดเป็นสติละท่านต่างเนต้นนะ คือประกอบด้วยวาจาให้รู้แจ้งซึ่งอักอันส ล, สลักเสนอไม่มีโท่นะครับห้าเป็นที่นิยมชม ช, มชอบของพิสุนีโดยมากถ้านบองว่าพิสุทิปเป็นที่ชอบใจของพิสณีทุกลูกเลยเนี่ยไม่มีหรอกใช่ไหมครับพิษุณีทุกลูกจะมาชอบใจรูกนี้พี่รูกนี้นะหาย่ายนะครับแต่เอาพิสุนีโดยมากนะพิสุณีที่มีสีเป็นที่ล่างนะ เอาพิุณีผู้มีสีเป็นที่ร่ำครับเป็นบัณฑิตมีปัญญาอย่างนี้นะเอาพิชณีเหล่านีนน้เป็นประมาณนะครับเป็นที่นิยชมชื่ชอบของพิชณีโดยมากเป็นของพิชุพิุณีที่มีสีเป็นบัณฑิตมีปัญญาหลักนั้นครับเป็นอย่างนีน้หกเป็นผู้สามารถกาวสอบพิชณีได้คือมีความสามารถนะที่จะยกสูตรมาทช่ไหมครับพราบาลีในว่าไปนะพระบิดานาเห็นผลมาที่บาลชี้แจงนะครับ อันนี้ชื่อว่าเป็นผู้สามารถเพื่อขู่ด้วยภัยในวัตตะนะแล้วควารู้ในธรรมะนี่ไม่ใช่ธรรมดาดนะสามารถจะอธิบายได้วัตตะสงสารเรื่ออะไรนะครับพูดได้นะเนี่ยแล้วก็เจ็ดเป็นผู้ไม่เคยล่วงข้ารูปธรรมกับสติผู้พองภาคกาสายาำบวชจำพวกมิภาคตรงนี้นะครับอันนี้หมายพวามอย่างไรนะครับอ่าม่เคยล่วงข้ารูปธรรมก็คือ ไม่เคยไปเคารคุนกายกับพิชุมีนะครับตอนสมัยท่านเป็นคาะาวานนะท่านไม่เคยไปเคารพคุนกายพิชุมีหรือไม่เคยเป็นเสดเมทุนในสามเมเลิสิกะมางาเหล่บบนี้นะครับอันนี้นะลู่ชายทําอย่างนี้นะครับพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าแครแกเคกชายทำอย่างนี้แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครั บ, รบเพื่อนบอกว่าอันนี้อายฟังอะไรนะ ในเวลาเป็นคลิหาไม่เคยต้องไกดสังฆฆะของคนกางนะครับก่อนพิสุนีหรือว่าไม่เคยต้องในถุนธรรในนาสิกามานานและสามนารียจึงอยู่มาตุกคามันลึกถึงกรรมที่พิสุกระทําไว้ในก่อนย่อมไม่ท่องความควารุ่ในธรรมเทศนาของพิสุแม้พูดตั้งอยู่ในสังวรเป็นคำว่ า, าแคอาจจะคนองที่ไม่เปฆ่าคนกลางพิสุนีแต่ตอนที่พระบูทั้งสังวรมีสีมีอะไรนะนะ ถึงเป็นอนนั้นนะครับแต่พิจุนีเนี่ยเข้าใจลึกถึงแต่กรรมตอนนั้นใช่ไหมแล้วก็จะไม่เคารมนะครในธรรมเทศนาอีกอย่างหนึ่งหล่อนจะยังความคิดให้เกิดขึ้นในสันทารนั่นเองก็จะไปคิดแต่เรื่องนาโมกเรื่องอะไรที่เคยมีอะไรกันอย่างเนี้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้นะครับไม่น่าต้องมีของพวกนี้นะต้องไม่เคยมีแป่มีพรรษาได้ยี่สิบถึงเกินยี่สิบนะครับ <c oughs> นี่มันเข้าใจตัวเลยถ้าบอกว่าพิสูจนนั้นแม้จะคู่เคียบอยู่กับวัตถุที่เป็นข่าสึกกันมีรูปเห็นปานั้นบ่อยๆนะครับก็จะไม่พานถึงความเสียสีเหมือนพิสูจน์หนุ่มถ้าพิสูจน์หนึ่งไม่ไหวนะอินทรีย์ไม่แก่ก้าวยังไม่ได้มันรุ่นี้นะครับอาจจะเสียสินิสึกไปได้เลยแต่ถ้าไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนั้นเพราะอะไรนะครับพิสูจนนั้นพิจารณาดูวัยของตอนแล้วอุยแกะนะ่นะอายุมากนั่นเอนะครับ ย่อเป็นผู้มีกําลังพอที่จะกระจัดชั้นทาราคะในฐานอาวุธสมคูรเสียตรางนี้เปนะ็นสายจากัด น, นะทีนี้นะครับผู้ที่อุผู้ยศสองพิสุนีเนะี่ยควรทำยังไงถ้าบอกว่าเพิงกว่าบริเวณครับพิสุนีจะมาฟังธรรมในที่ท่านอยู่ใช่ไหมท่านต้องเตียมฐานที่ไม่เรียบร้อยนะถ้าตอนนั้นมันรกเน่ะต้องปั่นกว่าให้เรียบร้อยนะครับหรือใช้ลูกศิษย์ลูหาก็ได้ ตั้งน้ำฉนน้ำใช้ปัวฉันน้ำ <c oughs> ไม่ได้เลยไม่ธรรมดานะ่นอะแล้วก็ชวนเพื่อนพี่สู่แป้นนั่งมันอยู่ด้วยครับพอมีแต่ผู้หญิงใช่ไหมเราต้องหาท่าเพื่อนมันนั่งลงเพื่อนสักคนนะครับถ้าไม่ทําำปา ก, ก่าอะไรเป็นต้นพวกนี้นะครับไม่ได้นะพี่ทีนี้เขาจะดูถูกดูแ ค, คร์เขาบอกว่าโอ้ยพระเถระท่านดีใจแสแดงธรรมถ้าไม่รู้จะจะแ น, นนะนํะ า, า, านะครับรู้สึษย์ลูกหาให้ทำบัตรปฏิบัติอะไรเลย ดูอะไรลอกสตอกปอกห้องก็ไม่ใช่อะไรก็ไม่กว่านี้นะไม่ไปคิดอย่างนั้นได้ไอย่างนี้าเพราต้องเสียงให้หมดเลยนะทรียนรอ้อยที่สุนีทั้งหลายนะครับพึงไปนณที่นั้นนะไปแล้วก็ที่ว่านะครับใ น, นที่เคยเสือข้างหนึ่งที่สุเพื่อเราสมมุตนะิแล้วพึงถามว่าพวกเธอพร้อมพิงกันแล้วหรือน้องหญิงทั้งหลายถ้าพวกนางตอบว่าพวกดิฉันพร้อมเพิงกันแล้วเจ้าข้า พึงถามว่าขลุทองแตกกระจายยังบังเพื่อนกันอยู่หรือน้องหญิงทั้งหลายถ้าพิจูนีต่อบว่ายังบังเพื่นกันอยู่เจ้าข้าพึงสารว่านี้เป็นโอวาสน้องหญิงทั้งหลายแค่นี้จบแล้วนะครับเนี่ยเราขอถามว่าเขายังบังเพื่อนขลุทองมั้ยถ้าเขาบอกยังบังเพื่นกันอยู่และสารว่านี้เป็นโอวาส์นะน้องหญิงทั้งหลายเนี่ยชื่อเป็นการอวาสอะไรนะครับชื่อเป็นโอวาสแล้วแค่นี้แล้วก็แสดงธรรมอ่าอื่นไปเลย แต่ข้ารูปธรมต้องต้องฐามันเป็นหลักไงแต่ถ้าว่าถ้าพูกนามตอบว่านะครับไม่ได้กระเพื่นกันเจ้าค่าเพิ่งตักเรยียนว่าอันนี้นะครับก็ค้ารูปธมแตกอย่างมีหลายบ้านหนึ่งนะครับพิสุนิีผสมบทแล้วได้100ร้อยพรรษาต้องทําการการบว่านะครับการต้อนรับมัญชฉลีกรรมสามารมีจีกรรมแต่พิสุผู้ประสมบทแรกในวันนั้น ทำนี้อันพิสุนีต้องสั่งการรัคารวน้อมถือบูชาไม่ละเมิดตลอดชีวิตนะครับยังไงต้องก็ต้องกราบไหว้พิสุนะสองพิสุนีไม่พยูนจำพรรษาในแวดว่าที่ไม่มีพิสุไมลหมายขางว่าอยู่ในวัดเดียวกับท่านนะนะครับไมลหมายขางว่าอยู่ในวัดเดียวกับท่านเพราะว่าอยู่ด้วยกันไม่ได้อยูแล้วพิสุกับพิสุณีอยู่ด้วยกันได้ในวัดเดียวกันใช่ไหมขณะนี้แม่ชีก็มุ่งหน้าดูแลนะครับในวัดเดียวกันนะะ อันนี้ิสูจน์พิสูจนีตรงเนี้ยบอกว่าไม่คงอยู่ตามศาลในแวดวงที่เป็นผู้พิสูจหมายเพาว่าวัาที่พิสูจนีไปอยู่นะครับต้องอยู่ไม่ห่างจากว่าที่พิสูจนอยู่นะอึงยกขึงโยกคือแปดกิโลต้องไม่หัางจากนั้นหอกเนี่ยนี้ว่าไม่ห่างจากวัที่พิสูจที่ศาัณฑิตอุบาดได้นะเกินดกิโลนะครับ นี่ก็เหมือนการทำแม้นี้อันพิจุณีต้องสักการคารบน้ำถือบูชาไม่น้มามนตลอดชีวิตสามพิจุนีต้องหวังทำสองปันการคือทาอุโบสถหนึ่งไปรับโอวาทหนึ่งจากพิสุสงทุกเกืเดือนเนัอันนี้เหมือนการนนัะ่ตลอดชีวิตเหมือนกันนะครับ 4, สี่พิจุนีผู้จำภาษาแล้วต้องปอนาในสงสองขวาดโดยสถานทั้งสาคือด้วยได้เห็นหนึ่งด้วยได้ฟังหนึ่งด้วยนำเกียรหนึ่งอันนี้ก็ตลอดชีวิตเมือกัน กรณของเราในแค่ปอนในสงฝ่ายดีใช่ไหมขอวิจมตีต้องปอในสงสงฝ่ายนะครัตรัวนาวิจมีสองเสร็จ้วก็ต้อง ป, ปอปอนนวิจิตรสงอีกครับ mm hmm. รนี่แล้วันาแล้วไม่ใช่ว่าจะต้องไปว่าก่า อ, อะไรกันในที่นั้นนะ <laughs> แต่ความจริงนะวันนันมไปเพียจนะรจางพบถ้าบอวพอวนาเสร็จแล้วเนี่ยเราเดินจากหมดเลยก็ได้เราไม่ต้องไปฟังใครอะไรโจกันว่ากันอกนะครับ เพราะสังกักรรมเกียรการปวนานะถือว่ามันสิ้นสุดแค่นั้นนะครับตรงที่พลาในทุลูกนั่งเปลยทำปวนาปุ๊บเน่ะมันจบสงกกรรมตรงนั้นแล้วนะครับมันจะลงปฏิโมกข์สุปฏิโมกข์จบปุ๊บคือเสร็จสังกัดกรรมนะ้รคุณไม่สะดวกคุณก็มอบมันช้าแล้วก็ออกไปเลยก็ได้นะครับอันนี้ปวนากรรมก็เหมือนกันนะเราไปอ่านใเข้อใดขีดเกียวเรื่องปวนาไม่มีเราบอกว่าปวนาเสร็จแล้วนะให้มาอะไรกันในขั้นทางสงฆ์เจะจารอะไรกันไม่มีนะครับ เห็นขนาดว่ามันที่ถ้าบอกว่าถ้าปอณาไม่ทำอารมณ์จะขึ้นก่อนอย่างนี้นะก็วิสุทธิภาษาเท่ากันนะครับปอนานก็ะปอณาพร้อมกันเลยทีเดียวหนึ่งไรถ้าเวลาไม่ทันนะวิสุทธิภาษาเท่ากันก็ปอนาพร้อมมันไม่ได้เสร็จบ่อยๆใช่ไหมอย่างนี้ยังได้เยครับแต่แม่มีที่บอกว่าปอนานเสร็จแ้ก็ลุยกันเลยไม่มีไม่มีมมครับในสารจรามจบแค่นั้นแหละ ทีนี้เรารู้เราไม่อยากฟังลเรื่องอะไรเราสายมันเดินไปได้เลยนะครับนี่เลถือว่าเสร็จแลกรทำแล้วนะครับแล้วก็ห้านะครับพิสุนีล่วงละเมิดขลูกทำแล้วเนี่ยต้องคาถาดิเศนะต้องประพฤติปักขามานั่ในสงองฝ่ายจะปกปิดหรือไม่ปกปิดประพฤติมานั่นอย่างเดียวนะครับสบายไหมปฏิว่าไม่ต้องอยู่ปกปิดแค่เดือนเนี่ยมานั่อย่างเดียว แต่มม่ต้องข้อสิบห้าวันนะครับไม่ใช่หงราตรีนะสิบห้าวันตนตายตัวเลยครับอย่างข้อห้านะอันนี้ก็ต้องตรบชีวิตเลครับหกที่สุนีต้องสวคยทางประสัมบัติในสองสองฝ่าย <c oughs> เพื่อสิคธามานาผู้ศึกษาสิค้าในธรรมหกประการครบสองปีแล้วนะบแล้วพ่าสิทธามานาเนี่ยอะไรนะคือสามเณรนีหรือบางสิการผู้เรียนจะบ่นที่สุนีใช่ไครับ ต้องศึกษาถือศีลหกของเ น, นนะไม่ขายตลอดสองปีนะครับแล้วก็ไปบวชสองสองปานเจนพิสุนีไม่พึงด่าไม่พึงบริภาร พ, พิสุเดินปริยาอย่างไรอย่างหนึ่งนะครับแห้งเลยนะจะมาด่ามาข่มขู่พาอะไรนี้ไม่ได้เงี้ย น, นะครับงั้นนี่ก็ตลอดชีวิตแรกๆไว้นะครับแปดตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปปิดทางไม่ให้พิสุนีทั้งหลายสอนพิสุนะครับ ไม่พิสูจนีสอนพิสูจนนะเปิดทางให้พิสูจน์ทั้งหลายสอนพิสูจนีได้ท้าแม่นี่พิสูจนีก็ต้องสังฆะท้าวโลน้ำถือบูชาไม่ละเมิดตลอดชีวิตนะครับ น, นี่นี่แล้วก็สอนด้วยธรรไปนะครับทีนี้ท่บอกว่านะก็ค่านรู้หนเป็นหลักถ้าว่าไม่ได้รับสมมุตินะครับมาสมมุติเลยแล้วก็ไปสอนด้วยธรรมนี่นะครับจะต้องบัปตปาดีๆแต่ว่าถ้าสอนด้วยธรรมอย่างอืงอ่นจะต้องบัตรทุกข์ รนบัดจะบางแบบนี้คนนี้ก็จบแล้วเขาแล้ว